การเดินทางการเดินทางก็ต้องมีจุดหมายแล้วก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีจุดหมายของชีวิตซึ่งเราตั้งใจจะไปให้ถึง <c oughs> แต่บอยครั้ง <c oughs> นะทางที่เราเดินมันก็มีอุปสรรค บางครั้งเราก็เจอทางตันบางครั้งเราก็หลงทางซึ่งทำให้ไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ได้จุดหมายแต่ละคนก็จจะแตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่า เราทุกคนปรารถนาความสุขและเราก็เชื่อว่าจดหมายที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้แต่ว่าพอเรามาเจอทางตันเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีถ้าความทุกข์เป็นอุประกอาสำคัญในการทำให้เรา ไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายและทำให้เราไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่บ <c oughs> างครั้งเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับติดอยู่ในกับดักหรือว่าอาจจะถึงกับอยู่ในคุกก็ได้ <c oughs> คุกมันก็มีหลายชนิดนะมีคุกที่สร้างด้วยอีกอันนี้คนที่ บางครั้งเนี่ยในเรือนจำหลายแห่งเขาอยู่ในคุกที่ว่าแต่บางทีคุกมันก็อาจจะได้แก่ร่างกายของเราผนที่พิการไม่สามารถจะขยับไปยื่นต้องนอนติดเตียงอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในคุกเหมือนกันแต่ว่า ทุกที่อาจจะเกิดกับทุกคนนะก็คืออารมณ์โดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะเช่นนะความโศกความเศร้าความโกรธความท้อแท้ผิดหวังหรือได้รุมรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นคุกที่ขังผู้คนจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเรือนจําถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจ็ป่วยจนพิจารแต่บางทีคุกอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกคุ้นเคยแต่จําเจบางคนอาจจะรู้สึกว่าบ้านหรือครอบครัวงตัวเองเป็นคุกหรือแม้กระทั่งที่ทํางานอาจจะเป็นคุกสําหรับหลายคน เพราะรู้สึกว่ามันจำเจไม่ชอบแต่ก็ออกไปไม่ได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ได้เพราะว่าอยังไม่มีทางไปก็จำใจจะต้องอยู่ในงานเดิมตำหน่งเดิมหน่วยงานเดิมแล้วก็อยู่ด้วยความกลับเกืนฟื้นทน ก็กลายเป็นว่าถูกครอบด้วยคุกอีกชนิดหนึ่งก็คือความทุกข์ในใจคุกชนิดที่มันอยู่ใน ใ, นใจเราแางคนเราจึงอาจจะถูกขังอยู่ในคุกซ้อนๆกันทั้งคุกในใจแล้วก็คุกที่เป็นที่ทำงานหรือว่าสิ่งวดล้อมเดิมๆจำเจที่ไม่มีอิสระ ในเพราะฉชนั้นเนี่ยเรานะย่อมโหยหาย่อมปรารถนาทางที่จะออกจากคุกนะเราคิดว่าถ้าเราได้เปลี่ยนงานใหม่นะหรือได้ไปอยู่ที่ใหม่เราจะมีความสุขถ้าเราหายเจ็บหายป่วยนะเราจะมีความสุข หรือว่าถ้าเราป้นจากสภาวะเดิมๆ เ, เราจะมีความสุขแต่เมื่อออกไม่ได้เราก็จึงมีความทุกข์ทรมานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นปัญหามาถักกับใจของเรา มันอยู่ที่การวางใจของเราเป็นสำคัญหลายคนที่อยู่ในคุกบางขวางก็ยังสามารถจะมีความสุขพร้อมกับอิสรภาพทางใจได้หลายคนที่พิการต้องนอนติดเตียงแต่ก็จะมีความสุขยิ่งกว่าเราซึ่งมีร่างกายปกติด้วยซ้ำ หลายคนก็ทำงานอยู่ในที่เดิมมาสามสิบปีสี่สิบปีอาจจะรู้จำเจนในสายตาของหลายคนแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ทำงานตรงนั้นมันมีคนมากมายที่อยู่ในคุกต่างๆกันแต่เขาแต่จิตใจเขาเป็นอิสระไม่ถูกครอบนะด้วย สิ่งที่ผู้คนนิยามหรือคิดเอาว่าเป็นคุกนะอิสลามมันเกิดขึ้นที่ใจเขาทางออกมันอยู่ที่ใจของเขานะในสาพุทธการเนี่ยมีเสนาเสนาบดีอัลหมาดท่านหนึ่งนะที่ถูกจองจำในคุกนะแต่ว่าท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันได้ ก็คือพบอิสระภาพนะทางที่ตัวถูกจองจำแต่ใจใเป็นอิสระนั่นใจมันจะเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเวลาเรามีความทุกขนะ์คนมักจะโทษสิ่งภายนอกเจ้านายไม่เป็นธรรมที่ทํางานไม่ไม่เอื้อเฟื้อ สิ่งว่าล้อมจำาเจเพื่อโรงงานไม่มีน้ำใจหรือว่ารถติดสิ่งแวดล้อมนะเต็มต้นบรพิษเศรษฐกิจย่ำแย่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะโลกจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ โลกจะเป็นอย่างไรที่ใจเป็นสำคัญเลยถ้ามันมีเรื่องเล่าว่าพียงคนหนึ่งนะตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้จักเตียงแล้วก็ออกกายออกกำลังกายนะขาที่แกนแขนอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าอายู่ตรงหน้าต่างก็มองทะลุกไปก็สังเกตเห็นบ้าตรงบ้านตรงข้ามเนี่ย เขาแขวนผ้าไว้ผ้าซึ่งซักใหม่ๆก็เห็นว่าผ้าช็ดตัวก็ดีนะหรือว่าเสื้อผ้ากังเกงเนี่ยมันมีรอยด่างก็เลยพูดกับสามีซึ่งกำลังนอนอยู่บนเตียงว่าเนี่ยไอ้บ้านตรงข้านี่นะซักเสื้อผ้าไม่สะอาดเลยนะรวยซอเปล่านะแต่ว่า ไม่ใส่ใจเรื่องการซักเสื้อผ้าเลยวันต่อมาเธอก็ลุกขึ้นออกกาลังกายตอนเช้าเหมือนเดิมแล้วก็เห็นภาพเดิมเสื้อผ้าของบ้านตรงข้ามที่แขวนอยู่บนราวตางผ้าแต่และตัวก็มีรอยด่างก็บ่นให้สามีฟังอีกว่าสงสัยผมเล จ้างคนพม่าเนี่ยนะมาเป็นแม่บ้านมาเป็นคนใช้นะก็เลยซักเสื้อผ้าไมสารเป็นรอยด่างเป็นดวงเนี่ยแทบทุกตัวเลยสามีฟังก็เฉยเฉยนอนต่อไปวันที่สามเธอก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเหมือนเดิมแล้วก็มองไปข้างนอกแต่แทนที่จะเห็นภาพเดิมนะกับปรากฏว่า เสื้อผ้าที่ตาเนี่ยบ้านตรงข้ามเนี่ยมันสะอาดมันขาวขาวนวลเลยพารียงรังเลยผูวกสามีว่านี่คุณคุณไปบอกบ้านตรงข้ามหรือว่าเสื้อผ้าเขาซั่งไม่สะอาดเนะี่ยวันนี้นี่เสื้อผ้าแต่ละตัวนี้เขาตานี่นขาวเลยนะสามีซึ่งนอนอยู่บนเตียงก็เลยพูดว่าเปล่าหรอก ไม่ได้เลบอกบ้านตรงข้ามหรอกผมก็แค่เช็ดหน้าต่างบ้านเราให้สะอาดเท่านั้นแหละนะจริงๆบ้านตรงข้ามนี่นะเสื้อผ้าก็สะอาดมาทุกวันอยู่แล้วแต่ที่ผู้หญิงเนี่ยก็เห็นมันเป็นรอยด่างเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรอื่นหรอกแต่เป็นเพราะหน้าบ้านเป็นเพรากระจกหน้าต่างตัวเองมันไม่สะอาดนะเขาลืมเช็ดกระจกลืมเช็ดหน้าต่างของบ้านตัวเอง ถ้าเราไม่เช็ดใจของเราบ้างนะเราก็จะเห็นว่าโรครอบตัวคนนั้นคนนี้เนี่ยมีข้อบอกพร่องมีข้อตำหนินะเยอะยไปหมดเลยแล้วเราก็สงสารายพวกนั้นไม่ยอมนะปรับเปลี่ยนตัวให้ดีขึ้นแต่บางทีเราลืมไปนะว่า เป็นเพราะเราไม่ได้เช็ดใจราใ้ายสะอาดนะถ้าเราเช็ดใจราใ้ายสะอาดาจะพบว่าจริงๆข้างนอกเนี่ยมันก็สวยงามหมดจดอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะหน้าต่างบ้านเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นโลกภายนอกเนี่ยขิดเทียนอย่างไรเนี่ยไอ้หน้าต่างที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะมันก็สามารถทำให้เราเห็นโลกนะ คาดเคื่อนจาความเป็นจริงได้แต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยหันกลับมาดูใจของเราเท่าไหร่เรามักจะมองว่าคนอื่นเป็นปัญหาแต่เราไม่ค่อยตระหนักว่าจริงๆปัญหาอาจอยู่ที่ตัวเราหรือที่ใจเรามากกว่าพวกเราจะหลายคนจะรู้จักอ่าพราะพาดชน คนสลาตนนะคุณประภาพเนี่ยทำงานเวิร์กพอย์เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเกมโชว์ต่างๆมากมายเช่นโทศ ก, กันนะแฟนพันธ์แท้เราก็เป็นกำลังสำคัญของเวิร์ o พอย์เพราะเราว่ า, วามีคราวหนึ่งมีหน้าที่ต้องไปสัมภาษณ์คนที่จะมาสมัครงานปกติก็ไม่มีหน้าที่นี่หรอกแต่วา่ามีคนขอรอ้อง คนแรกนี่ก็เป็นผู้หญิงวัยก็สามสิบประโยกแรกที่คุณประพาธถามก็คือว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรเธอว่าไม่ดีเลยนะที่ทำงานเก่าเจ้านายก็ไม่เป็นธรรมชอบคนประจบประแจงเพื่อโรงงานก็เอาแต่เอาแล้วเอาเปรียบ ไม่มีน้ำใจไม่เอื้อเฟื้อแทงข้างหลังแล้วก็คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวก็เลยอยากจะหางานใหม่ทำ <c oughs> วันต่อมาก็มีก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันวหวก็ใกล้ๆ ก, กัน คุณาพ่อก็ถามว่าทําไมว่าที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไรแต่ก็ตอบว่าที่ทํางานเก่าดีมากเลยเจ้านายก็เอื้อเฟือ้อเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นกันเองกับลูกน้องเพื่อโรมงานก็เอื้อเฟื้อกันนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคุณาพ่อก็เลยถามว่า้ทําไมเนี่ยถึงจะลาออก จากที่นั้นเนี่ยเธอก็ตอบว่าเพราะว่าที่ทำ ง, งานเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนมีนโยบายใหม่เขาเปลี่ย น, เ, น, ยย เ, ข เ, ยนเขาเป็นเน้นไปสร้าง Product ์ใหม่ซึ่งเธอไม่คุ้นก็เลยอยากจะมาที่ที่นี่เพราะว่าน่าจะเหมาะกับตัวเธอมากกว่าสิ่งที่คุณประพ่านแปลกใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากหน่วยงานเดียวกันและเพอเพล เ, เนี่ยมาจาก ฝ่ายเดียวกันด้วยนะแต่ว่าคำพูดของทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันมากเลยไนงะนะมันเป็นไปได้อย่างไรนะมาจากหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่พูดนี้เรียกว่าตรงข้ามกันเลยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนมุมมองของสองคนมากกว่านะคนแรกเนี่ยอาจจะมองอะไรเป็นลบเนี่ย ก็เห็นอะไรเห็นหน่วยงานเป็นลบไปหมดคนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบมองบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันก็ดูดีไปหมดปัญหารจริงเนี่ยจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรอยู่แวดล้อมเราแต่อยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรเรารู้สึกกับมันอย่างไรพูะเจ้าตรัสว่า ทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายเนี่ยหมายควทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความสุขและความทุกข์ด้วย้สุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไร เรามองมันอย่างไรหรือเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะหลายคนเป็นทุกข์เมื่อถูกดา่าเมื่อถูกต่อว่าแต่ก็มีบางคนทำไมเวลาถูกต่อว่าเนี่ยนะเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยสมัยนะที่หลางปู่ขาวอนารยโยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีท่านหนึ่งในะชื่อแม่ชีสา ก็เป็นคนที่ดูแลพระเนรดีแล้วก็ปฏิบัติก็ดีด้วยวันหนึง่งหลงปู่ขาวก็สั่งให้พระสองรูปไปดูดาไปว่าแม่ชีสาท่านสองรูกก็ไม่รู้นะว่าอะไรคือเหตุผลของหลงปู่ขาวนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไป ไปที่กุติไม่ชีสาแล้วก็ดาด่าดๆาด า, ด า, ดาม่ชีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติดได้ก็พนมมือฟังอย่างสารวมไม่มีอาการโกรธไม่มีความขุนเคืองใจเลยพระท่านก็ด่าจบไม่รู้จะด่าอะไรแนละ้วพอด่าจบ นายศิษย์าก็พูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ท่านดูด่าว่ากล่าวจบแล้วหรือดิฉันฟังแล้วทราบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดูด่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นเสียงธรรมมากทั้ง น, นั้นเลยคราวหน้านิมนต์มาด่าใหม่นะก่เลสไม่ได้เล่นหมดสักทีเนี่ยทําไมคําดูด่าว่ากล่าวจึงไม่ทําให้ แม่ชีสาวโกรเครื่องหรือน้อยใจแม้บางคนอา จ, จะน้อยใจว่าโ อ, โ อ, โ อ, โอา้เราอุตส่าห์ทำดีนะทําไมครูบาอจารย์มาว่าเราอย่างนี้ทําไมทําดีแล้วไม่ไม่มีใครเห็นความดีของเราแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าเราถูกด่านเนี่ยเราจอมหน้าไปซุบว่าชิปไหนเพอคิดแบบนี้ขเขานี่ก็จะน้อยใจหรือว่าขุนเครื่องใจหรือโปรธแต่ม่ชีสาวเนี่ยไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลย เพาะอะเพราะแม่คีสามองว่าคําด่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยขูดกิเลสได้มันเป็นธรรมะนะที่ช่วยทำให้ช่วยลดละอัตตาได้เวลาใครบอกว่าทุกข์เพราะถูกด่าเนี่ยจริงๆเนีไม่ถูกนะเพราะว่าถูกด่าแล้วเนี่ยแม้คําแม้สิ่งดา่ามันกระทบภูแล้วเนี่ย มันยังไม่ทําให้ทุกข์หรอกมันอยู่ที่ใจเราเรืยว่าใจเราเนี่ยจะรู้สึกกับรู้สึกกับคําด่าอย่างไรเป็นเพราะเรามองว่าคาําด่าคําดูคําต่อว่าด่าทอเนี่ยมันไม่ดีนะเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามองว่ามันมีประโยชน์นะก็ไม่ทุกข์กับยอมรับนะกับยึดรับเหมือนกับ อดีเจ้าของเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยเคยกล่าวว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนะแปลว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลนะเห็นไหมคนที่เวลาถูกด่านเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีไม่ได้แปลว่าเราจะโกรธทันทีมันอยู่ที่ใจเราด้วย หลายคนในหมุดหงิดเวลามีเสียงดังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงดังไม่ทําให้เราทุกข์หรอกมันอยู่ที่ใจเราใจเรารู้สึกยังไงกับเสียงนั้นใจเราทํายังไงกับเสียงนั้นมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุตราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านมรณะภาพไปยี่สิบกว่าปีแล้วนะตอนที่มรณะภาพท่านก็อายุร้อยปี ท่านได้รันิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านโยมในกรุงเทพท่านอยู่สิงห์บุรีนะฉันเสร็จก็จะกลับวัดโยมก็เห็นว่าท่านชราแนละ้วตอนนั้นประมาณสักห้าสิบปีมาแนะ mm hmm. ล้วจะขับรถไปจะกลับไปสิงห์บุรีก็หลายชั่วโมงถนนก็ไม่ดีรถก็ยางเก่าเก่า mm hmm. ก็นิมนต์ให้ท่านเนี่ยจำพักสักหน่อยนะเองนเองนหลัง สัพักเนี่ยแล้วค่อยกลับวันก็หาห้องให้ท่านพักก็มีลูกศิษย์สองสาคนเนี่ยมา น, นั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุ ย, ยก็กระซิบกระราบกันเพราะไม่อยากจะรบกวนหลวงปู่ใจเัง่อเญห้องห้องแถวที่ติดกันเนี่ยนะมันเป็นร้านโชว์หวยเจ้าของเป็นคนจีนนะคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสวมเกีย้ยเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยจะสวมเกีย้ย เวลาเดินนี่ก็จะมีเสียงดังขึ้นบันไดเสียงยิ่งดังใหญ่เพราะเป็นบันไดไม้เสียงนั้นก็ดังเข้ามาจนถึงห้องของหลวงปู่ปัญาลูกสิก็ไม่พอใจก็ปวดขึ้นมาว่าเนี่ยไหนเดินไม่เกรงใจกันเลยนะเดินเสียงดังจังหลวงปู่ท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้จำวันหรอก พอได้ยินฉะนั้นท่นก็เลยพูดขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินเขาอยู่ดีๆเร า, เาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเอาหูไปลองเกลี้ยนะนเวลาเราหมุนกินลำคันใจเนี่ยนะเพราเสียงดังเนี่ยจะเป็นเสียงโทรศรัพท์เป็นเสียงคนพูดคุยเนี่ยอันนั้นจริงมันไม่ใช่ปัญหาเราตอนในที่ใจเราใจเราไปเกี่ยวข้องกับเสียงนั้นไม่ถูก ความเกิดความป่วยนี่ไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่าไหร่นะอาจจะทุกข์กายนะแต่ว่าไม่ถึงกับทำให้ทุกข์ใจบางคนเนี่ยพิการนะเพราะอุปติเหตุก็เอาแต่กลุ้มอกกลุ้มใจแต่ก็มีหลายคนที่พิการก็ดีเจ็บป่วยก็ดีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรเลยก็ยังยิ้มได้ อาจารย์กำพลทองมุญนุ่มซึ่งเึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสีห้าเดือนก่อนเนี่ยพิการมาค่อนชีวิตนะสามสิบกว่าปีแต่ว่าหน้าตาแจ่มใสนะมีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีอาการสายสองครบซะอีกเพราะถ้ารู้สึกว่าพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วย อันนี้เกิดจากปัจจุบการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าคิดขึ้นมาเองแต่ก่อนที่ทุกข์มากเพราะว่าเราพิการเราพิการแต่พอแต่พอปฏิบัติธรรมจนเห็เลยนเป็นความจริงว่าโอ้ที่แท้นี่มันเป็นกายการตังห่าใจไม่ได้พิการด้วยวินาทีนั้นเนี่ยท่านบอกจิตมันเราจากความทุกข์เลยทางออกมันเกิดขึ้นทันทีนะ ออกจากทุกเนี่ยอย่างพิการอยู่ไม่สามารถออกจากความพิการได้แต่ออกจากความทุกได้เพราะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราพิการมันมีแต่กายพิการนิพิชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีน้ำใจดีมากชอบชวนชอบไปช่วยเหลือคนในชนบทธุรกันดารครานี้นก็ชวน นักศึกษาไปช่วยเด็กไปช่วยโรงเรียนในชนบททางไกลที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจนเสร็จเนี่ยก็กลับแกจะไปต่าต่อแต่ว่านั่งร ถ, น, งรถนั่งรถตู้มาเดียกันนะกลับนักศึกษาแม่ฮองสอนเนี่ยโค้งมันเยอะมากเป็นพันพราก็ว่าเกิดอุบัติเหตุนนะรถเนี่ยแหกโคง้งลงไปข้างล่าง ตอนนั้นเนี่ยนะชาหนุคนนี้เนี่ยแกก็อธิษฐานเลยนะว่าขอให้ทุกคนที่แกพามาทนี่ปลอดภัยพระว่าทุกคนเนี่ยนักศึกษาทุกคนให้ปลอดภัยหมดยกเว้นแกที่การครึ่งตัวก็หลายคนที่เป็ น, เ พ, น, เ, พนเพื่อนก็มาเยี่ยมก็ตัดพอนะว่าทำไมทำบุญจึงต้องมาเจอแบบนี้เหมือนกระูพว่าทำดีไม่ได้ดี แต่ว่าชายตรงนี้แกยิ้ม น, นะแลกวแกก็บอกกับเพื่อนๆว่าก็เพราะทําบุญนะถึงเหลือจึงถึงเหลือเท่าเนี้ยถึงเหลือต้องเท่านี้นะก็คือเหลือครึ่งตัวนะถ้าไม่ทําบุญนะก็หมดไปลนะแทนที่จะเป็นทุกข์เพราะว่าโอหเราสาทําดีเราสาไปช่วยคนทํานไะมเราติดการแค่ก็บอกว่าเออเราโชคดีนะที่ยังเหลือมาครึ่งตัว ให้ความพิการเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะแต่เพียงเพราะเราวางใจไม่เป็นปัญหาที่หนึ่งอยากจะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สําคัญตั้งแต่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรหรือเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราวางใจไม่เป็นนะ แม้จะได้โชคได้ล่าบมาก็ยังทุกข์นะเพื่อจะมาผลึกเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นแต่เดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วเริก ม, มาเป็นเป็นสิบปีแล้วแกบอกว่าตอนที่ตอนที่เล่นหุ้นเนี่ยก็เลือกเงินแต่ตอนหลังเลือกความสุขการรู้ว่าเนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยมันได้เงินจริงแต่มันไม่ได้ความสุขหรอกนะ ตอนนี้ก็มีเงินพอสมควรแล้วก็จะหาความสุขบ้างก็เลยเลิกแต่ตอนที่ยังเล่นหุ้นอยู่เนี่ยก็ไปเจอคุณป้าคุณนังที่ตลาดหุ้นคุณป้าคนนี้ก็เล่นหุ้นเป็นประจําเหมือนกันแกเล่าว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายพุ้นไปล็อตหนึ่งได้กําไรสิบล้านเพื่อตอมา ก, ก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะ ถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้ว20ล้านคุณป้าไม่ดีใจนนะที่ได้กำไร10ล้านนะ10ล้านนี่มันระเตือ่องวที่หนึ่งกี่ใบตอนะในมุมมองคุณป้าเนี่ยแก<ม>ไม่ได้เชื่อแกได้10ล้านนะแกเชื่อแกเสีย10ล้านแล้วคุณได้โชวเนี่ยนะเธอมองไม่เป็นนะคุณจะสว่าคุณเสียนะได้10ล้านเนะี่ย แต่คุณป้าวนีม้มองว่าแกเสียสิบล้านวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนตาัวจเลยไปถามมาเก็ติงก็ได้คำ ต, ตอบคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าพ่ออะไรนะพ่อเ ข, า, ข, า, ขาได้กำไรแค่สิบล้านคล้ายๆอยากได้โชคนะเวลาไปทำบุญก็ทิ่ฐานขอยได้โชค แต่เราแน่ใจได้เงาถ้าได้โชคแล้วจะไม่เป็นอย่างคุณป้าเนี่ยอยากจะได้โชคแต่ไม่ได้วางไม่รู้จักวางใจไม่รู้จักมองให้เป็นมันก็ทุกนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะได้แล้วก็ตามไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรวันนี้เนี่ย ถ้าพูดถความทุกข์ใจเนี่ยนะเรื่องความทุกข์กายเนี่ยตมาผมไม่พูดนะเพราะว่าสมัยนี้เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจเท่าไหร่ทุกข์กายเท่าไหร่ถ้าถึงความทุกข์ใจเนี่ยนะหลักๆแล้วเนี่ยสาเหตุนเนี่ยมันมีสองประการไม่ว่าจะทุกข์ใจเรื่องการงานทุกข์ใจเรื่องเงินเดือนทุกข์ใจเรื่องสุขภาพ ทุกใจเรื่องความสัมพันธ์คนรำจริงความทุกนะถ้าพูดถึงประเด็นที่ทุกนะ่ะมีอยู่สีเรื่องใหญ่ๆนะหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเช่นสุขภาพความสวยความงามนะผอมไมมอ้วนไหมขาวหรือเปล่าเนี่ยนะหลายคนก็ทุกเรื่องมีสิวนะแต่ข่าวดีสำหผู้มีสิวนะเขาบอกว่าการมีสิวทาให้แก่ชา อันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ผมค้นพบใหม่เข้าที่บายได้นะด้วยด้วยเหตุผลเกี่ยวเรื่องอกเกี่ยวเรื่องกระบวนการเป็นตับอบุดตันในร่างกายแต่หลายคนเนี่ยทุกข์มากเลยรู้สึกวิส ว, ว, วิสิวเนี่ยการมีสื่อเป็นวิกฤตในชีวิตความอ้วนอันนี้ทุกประเภทแรกนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ เงินเดือนนะบ้านรถยนต์อันนี้รวมถึงหนี้สินด้วยนะสามเนี่ยทุกเกี่ยวกับการงานงานมีปัญหาหรือว่าไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งมีปัญหาเรื่องงานการนี้ก็พวกเราคงจะ เป็นเงินเยินอันที่สีเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์ก็มีปัญหากับเจ้านายิีปัญหากับเพื่อนโรงงานมีปัญหากับคู่รักหรือว่าคนรักตายจากไปอกหักถูกทะเลาะถูกต่อว่าด่อทอที่มันมีเรื่องหน้าตาด้วยแต่หน้าตาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ <ไ estaban. S 1> เกิดจากการที่ใครบางคนข้ามตาข้ามตาเราไม่ให้เกียรติเราแล้วความทุกข์ใจคนเราเนี่ยหนีไม่ค้นสีเรื่องเนี้นะ ในบรรดาคนทั้งโลกเจ็บพันล้านคนเนี่ยเวลาดูว่าทุกใจเรื่องอะไรหนีไป็นสี่รเรื่องแตจงนะ่จริงๆเนี่ยนะสายเหตุจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องสุขภาพเรื่องหน้าตาตัวอย่างที่อาตมาพูดมาสักครู่เนี่ยมันก็ชี้เห็นว่าหลายคนที่เขาเจ็บป่วยแต่เขาไม่ทุกข์ก็มีข้อใจหลายคนได้โชคได้ลาบแต่ก็ยังทุกข์ข้อใจ อันนี้เาสายเห็นความทุกข์ใจเนี่ยนะถ้าสรุปแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆนะอันแรกคือการรู้สึกลบกับมันการมองลบหรือการเห็นลบนะบางทีเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แย่อย่างนั้นแต่พอเราเลือกที่จะมองเห็นแต่ด้านลบเนี่ย มันทำให้เรยาแย่้พวกเรารู้จักซิกโกโ้ใช่ไหมซิกโก้เกีติศักดเสนาเมืองอเขาเป็นเขาเป็นโค้ชทีมชาติที่มีชื่อมากแต่ก่อนที่เขาจะมีชื่อจากการทำทีมเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอล ร, ระดับซปเปอร์สตาร์เขาประสบความสำเร็จในการเล่นบอลทีมชาติตอนหลังก็ไป เล่นบอลอาชีพที่มาเลสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ทีมเขาก็ได้แชมป์ในทุกประเทศตอนหลังเขาก็มีสโมสรอังกฤษมาซื้อตัวเขาเป็นข่าวใหญ่มากเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยก็อยากจะเห็นซิกโก้เนี่ยนักฟุตบอลไทยลงสนามที่ประเทศอังกฤษและนี่ก็คือความฝันของซิกโก้เหมือนกัน สวมเสื้อสโมสรอังกฤษลงสนามแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยเขาได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามในฐานะตัวสำรองเขาเครียดมากเขาเครียดมากเขาอกว่าแทบจะแตกเลยเพราะมันเพราะเพราะมันเป็นความผิดหวังแล้วก็เสียใจยที่ทำให้แฟนบอลคนไทยผิดหวังด้วยเขาส่วาการไปครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลว มีคนมาถามเขาเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากพูดแต่ผ่านไปสามสี่ปีหลายปีหลังจากนั้นเนี่ยมีคนถาม เ, าเรื่องนี้เขายิ้มแล้วก็บอกมันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ผมมองไม่เห็นผมมองไม่ออกแล้วเขาก็อธิบายว่ามองไม่ออกมองไม่เห็นเนี่ยเป็นยังไงคือบอกเจ้าบอกว่าไปอังกฤษัขานนเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ หึงได้บ้านสองได้รถสามได้พัฒนาร่างกายสีได้ภาษานะห้าได้เ็นมุมมองใหม่ๆหมได้เจอคนมากมายเจ็ดได้เดินทางไปยุโรปเนี่ยเดินทางกว้างขวางแปได้สัมผัสดีที่มีสีรัะที่สุดในในโลกเสีย่งเดียวคือไม่ได้นเ่นได้ทั้งแอย่างนั้นเสียแค่อย่างเดียวแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นแต่เสียเนี่ย แล้วเขาก็เลยทุก ح. เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพอเขาเริ่มมองเลยใครขวบเพระโอโได้ทั้งหลายอย่างนะหลายคนทุกข์เพราะแบบนี้นะหลายคนทุกข์เพราะเห็นแต่ลบนะหรือรู้สึลกลบกับมันนะบางอย่างเนี่ยแค่ระวังใจเป็นกลางๆมันก็ทำให้ไม่ทุกข์เฉยๆดัง นะถ้าเรามองว่าเออมันธรรมดาเสียงดึงโทนดังในห้องเราก็เฉยเฉยเรารู้สึกเฉยเยกับมันเราก็ไม่ทุกขนะ์แต่ที่เราไปทุกข์เพราะเราไปไปจดจอ่อไปต่อลาะต่อเทียงกับเสียงนั้นะสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัฒโทเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปประเทศเอังกฤษเมื่อสี่สิบปีก่อนตอนนั้นอาจารย์สุมเมโทรพระชาวอเมริกันก็ไปกับท่านด้วยแล้วก็ตอนน่อหลังไปสร้างวัดพุทธในอังกฤษ วัดป่าจิตวิเวกวัดอมรว ด, ดีอาจจปทีรู้จักกว้างขวางในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยโยมที่นิมนเป็นชาวอังกฤษก็ไปนิมนต์ให้ท่านพำ น, นักอยู่ที่วิหารแฮมสเตดที่จริงมีวัดไทยนะที่ เ, เบอร์ตเนแต่ว่าเจ้าภาพนี้เ ข, เขาเขามีวิหารของเขาวิหารแฮมสเตดอยู่กลางกรุงลอนดอ น, ดอนวิหารแฮมสเตดเนี่ยนะมันตรงข้ามเนี่ยมันมีถัำมีบาร์ แล้วตอนค่ำเนี่ยก็จะมีการร้องรำทำเพลงมีการเล่นดนตรีสมัยนะั้ดิสโก้เริ่มมาละตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อชานํำพาพระและโยมนั่งสมาธิช่วงที่นั่งสมาธิก็มีเสียงดังเข้ามาเสียงดนตรีเข้ามาในวิหารในห้องทํามสมาธิพระหลายลูกก็นั่งไม่เป็นสุขเลยนะ โยมด้วยแต่หลงวงพ่อช้าที่นั่นท่านนั่ง น, นิ่งมากเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทำสมาธิสี่สิบนาทีเสร็จเจ้าพากเนี่ยชาวอังกฤษก็มาหา ห, าหลวงพ่อแล้วก็มาขอโทษขอโทษที่มีเสียงดังรบกวนหลงวงพ่อช้าท่านตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงมารบกวนเรา ที่จริงเราไปบรบกวนเสียงตัางหากแปลว่าอะไรฮนะเราไปบรบกวนเสียงคือใจเราเนี่ยนะไปทะเลาะ ก, กับเสียงนั้นไปต่อสู้ผักสายกับเสียงนั้นคือไปรู้สึกลบกับเสียงนั้นพอเรารู้สึกลบกับเสียงนั้นเราก็พยายามผักใสใจเราเลยไม่เป็นสุขเพียงแค่เราไม่ลองไม่ลองคิดบวกกันนะลองทําใจเป็ ก, กลางๆ นะเสียงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรือถ้าเราจะคิดบวกก็ได้เออมันเสียงนี้ก็มาฝึกเรานะว่าเราจะมีสติเราจะมีสมาธิแางไรนะหมือนกับที่แม่ชีษาเนี่ยมองเสียงด่าว่าเป็นเครื่องฝึกเป็นธรรมะที่จะช่วยทำให้กิเลสหมดไปไดนะ้นี่เป็นการที่หนึ่งเลยคือคนเราทุกเนี่ยนะเป็นเพราะเรามองเห็นแต่ลบหรือรู้สึกลบกับมัน กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานการดินฟ้าอากาศจราจรที่แน่นขันนัดนพอรู้สึกลบกับมันหรือลอดเหนแต่ลบเนี่ยนะเราก็จะทุกข์เลยแต่ถ้าออกไม่ได้เนี่ยเราจะจี้มปกติดคุกมากเลยแต่ที่จริงถึงเรงออกไม่ได้เนี่ยถ้าเราวางใจเป็นนะใจแล้วก็หลุดจากทุกข์ได้ แล้วครที่สองก็คือความยึดติดไม่ปล่อยไม่วางพอไปยึดติดเมื่อไหร่เนี่ยนะมันมันมันทุกข์เลยปัญหาแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาแต่คิดถึงมันแล้วมันจะผ่านไปแล้วความสูญเสียความพัดผ่าผ่านไปแล้วเกิดขึ้นหลายปีแล้ว แต่ว่าถ้าเรายังปล่อยวางมันไม่ได้เนี่ยเราก็จะทุกข์มากผ่านไปยี่สิบสามสิบปีก็ยังทุกข์อยู่อาตมาเจอโยมคนหนึ่งนะเป็นคนจีนอายุสัก60สิบได้ร่ำรวยนะคนจีนอันนี้ร่ำรวยสามีก็ดีลูกก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมาบวชพระมาบวชที่ว่าอตาตมา เธอก็ไม่เจ็บไข้แต่ป่วยอะไรแต่หน้าตาเธอหมดหมองเพราะอะไรฮะเพราะเธอยังนึกถึงแต่ประสบการณ์เลวร้ายตอนที่ยังเป็นเด็กอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่พ่อแม่ชอบดู ด, ดา่าพ่อแม่าจะารักลูกชายมากกว่ลูกหญิงลูกสาวอาจจะมีการทุบตีทำร้าย ถ้าเธอก็จมอยู่แต่ความรู้สึกเนี่ยไอ้ปัเหตุการณ์เนี่ยทั้งที่มันผ่านไปแล้วและปัจจุบันเธอก็มีชีวิตที่ใครๆก็อิจฉานี่เป็นเรื่องความความยึดติดจริงอยู่ปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตแล้ว แต่ก็นั่นแหละนะสาวยิ่งร้ก็เพราะว่ามันเป็นเพราะเรายังแบงมันเอาไว้นะเคยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะไปหาหลวงพ่อชาอันนี้ก็ส0มสิบสสิบปีมาแล้วนะเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไปปลนให้หลวงพ่อชาฟังว่าเจ้านายไม่เป็นธรรม ลูกน้องออกเพื่อโรงงานก็คอยกันแกล้งคอยแทงข้างหลังคอยเลื่อยขาเก้าอี้ทางานเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้รับการเลื่อมขั้นไม่เคยได้รับการเลี้แเล่จากเจ้านายเพราะเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์จริงจริเนี่ยแต่รอบตัวเนี่ยนะแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ ก็บนเป็นเวลาหนากีเดียวเราก็ทารู้สึกท้อแท้ะหมดอะไรตายอยากอยากจะลาออกจากราชการหลวงพ่อชาท่าน<ม>ก็ไม่ได้ว่าอะไรฟังอย่างเดียวพอในตลอดท่านั้นพูดจบท่านก็ชี้ไปที่เก้าอีอ้ก้อนหินหน้า ก, กุติถามว่าหินก้อนนั้นเนี่ยหนักใหญ่ัหมใหญ่หนักไหมหนักแบบไหวไหมไม่ไหวครับ ถ้าไม่ไหวก็อย่าแบ่งมันนะใ น, นตัวถ้าได้สติเลยนะรู้เลยว่าอที่เราทุกข์เพราะเราไปแบงมันเอาไว้ก้อนหินถ้ามันไม่แบ่ถ้าเราไม่แบ่งมันก็ไม่เราก็ไม่ทุกข์นะเราก็ไม่รู้สึกหนักเราไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าแบงเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็ต้องเหนื่อยต้องหนักเป็นธรรมดาเราจะไปขอให้ก้อนหินมัน มันหยุดหนักมันหายหนักอยากจะให้ก้อนเหินเบากลายเป็นนูดก็ทําไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมชาติก้อนหินถึงฉันจะถามมากกว่าว่าก็คือเราแบกมันไปทำมันหลายคนดูแลแม่ที่ป่วยเรื้อรังเป็นมะเร็งเป็นอัลไซเมอร์อัมาพาต พอดูไปนานๆเนี่ยนะเป็นปีๆเนี่ยก็จะล้าและเครียดแต่ส่วนแต่ถามจริงเวลาล้าหรือเครียดอะไรที่ล้าอะไรที่เครียดไม่ใช่ร่างกายนะใจบางคนดูแล ม, มากๆตัวรู้สึกว่าไม่ไหวมันมีความที่อกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่พ่อแมจะตายสักทีจะได้หมดทุกข์พอคิดแบบนี้เข้าก็รู้สึกเสียใจ และส่วนใาย่เนี่ยนะที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าแบกแม่แบกพ่อตลอดเวลาถึงเวลานอนถึงเวลาที่ตัวเนี่ยพักก็ยังแบกไว้ในใจเก็บเอามาคิดรู้สึกครัวรู้สึกกังวลก็เลยนอนไม่ค่อยหลักพักไม่เต็มที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่สดไม่ใสาอารมณ์หมอง พอพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกใจไม่ทำตามที่สั่งก็โกรธก็โวยใส่แม่ใส่แล้วมาเสียใจว่าเราทำไมทำอย่างนั้นกับแม่กับพ่ อ, อ, อกับบุตรกาวีเสียใจทุกใจรู้ึกย่เนี่ยความลา้ากันเกิดขึ้นเพราะเหตุ น, นี้ไม่ใช่เพราะว่าทำงานหนักทางกายแล้วทีล้าเพราะอะไรเพราะมันเริ่มต้นจการที่ไปแบกเอาไว้แบก แใ น, นกระทั่งเวลาไปพักเวลาไปห้องน้าก็ยังแบกเอาไว้เวลาจะมาก็ยังแบกเอาไว้ไม่ยอมวางเพราะสุกว่าถาวางไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่รักแม่าการเคืรพการรักพ่อรักแม่ที่ดีคือต้องแบกเอาไว้อันนี้คือความใจที่ผิดมากนะเพราะว่าสุดท้ายตัวเองก็แย่พอตัวเองแย่ตัวองก็ระบายความทุกข์ใส่พ่อแม่แล้วเราก็แล้วลตัวเองก็เสียใจเอง พอเสียใจยิ่งแบบความเสียใจไว้แบบความรู้สึกผิดเอาไว้ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหานะเวลาที่ว่าความทุกข์ใจเนี่ยของคนเนี่ยมันมีสาเหตุสองประการใหญ่ๆคราวนี้ถามว่าเราจะทําอย่างไรนะก็อย่างแรกนะถ้าว่าเราต้องการจะหาทางออกจากความทุกข์นี้อย่างแรกคือ วางใจให้ถูกนั่นก็คือการยอมรับอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะอย่างแรกที่เราทําได้คือยอมรับมันซะก่อนอย่าบ่นอย่าวัยวยติโปรตีพายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความพัดพลาดสูญเสียไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานที่เป็นถ้ามีประสัคหรือล้มเหลวเพราะถ้าเราบน่นวยวายตีโปรตีพายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการซ้ําเติมตัวเอง ของหายถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยมันก็หายแต่ของจิตใจเป็นะจจ ป, ปกติแต่ถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยนะมันไม่ได้หายแต่ของไม่ได้เสียแต่ของนะมันจะเสียอีกหนึ่งตามมามีครูคนหนึ่งนะอายุก็ยังถึงสามสิบโดนโกงไปหนึ่งแสนเพื่อนโกงไปเธอเสียใจเธอทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งเศร้าไม่ยอมกินไม่ยอมนอน เป็นเดือนนะแม่ก็ขอให้กินเธอขอให้พักก่อนเธอก็ไม่ยอมแครที่เสียแตงเงินนะก็สุขภาพจิตก็เสียสุขภาพกายก็แย่ไปทำงานก็ทำไม่ได้งานก็เสียแต่พอหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีมีใครมาพูดไม่ถูกหูก็ด่าโวยความสมัยก็เสียอีกนะ เสียทั้งเงินเสียทั้งเงินเสียเงินเนี่ยเพราะคุณเอาไปแต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียความสัมพันธ์เนี่ยนะหรือเสียเพื่อนเนี่ยตัวเองทำเองงรับอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จั ก, กวางใจเออมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันซะแล้วก็ยอย่ไปบนตีโพตีพา แล้วพอเวลาทางานแล้วเครียดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเนื้อ ง, งานมันหนักนะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่เป็นเพราะว่าทําไปก็บวดไปทําไปก็บวดไปบวดใครปวนเพื่อโรงงานเบื่อเจ้าบวดเบือ่อปวนเจ้านายหรือบางทีก็บวดในตัวงานนี่แหละทําไมมันมันมันยากแบบนี้ทําไมมันทําไมทําไมมันคุณภาพมันแย่ หรือว่าปล่อยมาถึงเราได้ยังไงแต่ถ้ามว่าเราเนี่ยเ อ, อยอมรับมันเราหยุดบน่นหยุดบวยวายหยุดตีโพดีพายเนี่ยความทุกข์มันลดไปเยอะเลยนะมีเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยมันมีรายการพลเมืองเด็กทางช่องไทยทีวเขาก็จะเอาเด็กเนี่ย สคนเนี่ยมาทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อเขาจะดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหายอย่างไรทํา ง, งานเป็นทีมหรือเปล่าเด็กก็มีหลายวัยนะบางทีก็เด็กแปดเก้าขวบบางทีก็เด็กสิบเก้าขวบมีครั้งนึ่งก็เอาเด็กอายุาสิบสองสามขวบมาสองคนเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงงานให้งานที่ทําอย่าเนึ่ยคือการขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันมเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉันต้องรีบคน บอกว่าวันนั้นเนี่ยบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตตรงจอหอนะพวกเรารู้จักใช่ไหมสมจิตแล้วชคเรียนทั้อดีตปิดขึ้นชคมีการถ่ายทอดสดผู้ชายสองคนเนี่ยก็เลยทิ้งงานเนี่ยไปดูโทรทัศน์ก็ไปให้เพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยคนของแล้าเธอ่าคนของด้วยความตั้งใจนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนไปแอบไปดูสมจิตขึ้นชค เธก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนะแต่หนูไม่ใช่สมไม่ใช่เป็นแฟนหนูก็ขนก็ทํา ง, งานของหนูไปพี่ทีกองก็ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามใหญ่ว่าแล้วหนูไม่โกรธหรือไม่ขีดะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานที่หนูทําคนเดียวเธอ ต, ตอบที่เตอบว่าหนูขนของขึข้นไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปบกรไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะ เหนือสองอย่างคืออะไรเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจเธอรู้ว่าเสียเวลาป่วยการที่จะไปบนป่วยการที่จะบนเพื่อนหรือว่าว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีแต่ทำให้ตัวเธอทุกข์เธอรู้ว่าสิ่งที่ควรทาคือเหนื่อยอย่างเดียวถ้าจะเหนือยก็ให้เหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจยื่อนถามว่าเหนื่อยใ จ, จกิจกากอะไรเกิดจการบนไม่ยอมรับสภาพที่เป็น อันนี้ก็เหมือนกับเวลาเสียงดังแล้วเราบนน่นทันทีเลยที่ที่ได้เสียงดังกระทบผู๋ไม่จะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงบินโทนแล้วเราก็ทุกเองงดมุดหิดเองเวลารถติดเนี่ยนะต้องสังเกตไหมถ้าเราบ่นเมื่อไหร่นี่เราทุกเลยแต่ถ้าเราเ อ, อยอมรับสบภาพเพราะนี่คือธรรมดาของกรุงเทพยิ่ธรรมดาของเมืองไทยเนี่ยใจเราก็เย็นลง เียงแใจยอมรับนะในสิ่งที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วเนนะมันก็ทุกน้อยลงละวิธีที่จะลดความทุกข์ในใจคือ ว, ว่ายอมรับแล้วก็หยุดบนหบนยุดวยยเพราะการบลนั้นเนี่ยมันสร้างทุกข์ให้กับเราแล้วก็มันไม่ันไม่ทำให้อะไรดีขึ้ น, นเวลาจะป่วยถ้าเราไม่ยอมรับมันเนี่ยมันไม่ป่วยแต่กายป่วยใจด้วย เรามีการพบว่ามีการคพบว่าคนเวลากลัวเข็มฉีดยานเนี่ยถ้าโดนเข็มทิ่มเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวแปลว่าอะไรแปลว่าความกลัวมันทาให้ความเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเพิ่มน่องเหนือจากความเจ็บกายซึ่งมีอยู่หนึ่งส่วนเจ็บเพราะกลัวอีกสองส่วนกลายเป็นสาม ความกลัวก็เป็นอากางการที่ไม่ยอมรับนะพอเราไม่ยอมรับอะไรเราจะกลัวเราจะปฏิเสธและการปฏิเสธนั่นแะหละมันทําให้ความทุกข์กายเพิ่มขึ้นโดยสัมเนะพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราน่ า, นาจะฝึกทํานะคือว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างแรกคือยอมรับมันยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะป่วยก็ต้องไปรักษาก็ต้องยิงยาแต่ว่า ทำใจยอมรับมันก่อนประการที่สองคือการมองเห็นด้านบวกของมันมองเห็นประโยชน์ของมันนะพอเรามองพอเรามองบวกนะมันช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะอาตมาเคยพาคนไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วย มะเร็งหรือผู้ปวยรายะสุดท้ายจิตอาสาคนนึงก็ไปเจอเด็กอายุ14ผมเนี่ยร่วมทั้งหัวเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้ยัแจ่มใสามากชวนจิตอาสาซึ่งอายุ45 10ละ ว, วาดรูปจิตอาสาก็ึในใจป่วยขนาดนี้แล้วยังมีอารมณ์วาดรูปอยู่แล้วเนี่ยมะเร็งสมองนี่มัน โอกาสตายมันสูงมากคุยไป ค, ยยคุยก็เลยคุยกับเด็กสักพักเด็กก็ตอบว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากิคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอนะ้พอมองปวดนะว่าเออเป็นมะเร็งสมองที่โชคดีนะถึงยิ่มแย้มไดนะ้แต่สมองโอ้เราโชคร้ายนะที่เป็นมะเร็งนะ ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นฉันจิตมันจะดิ่งเลยนะดิ่งย่ําแยก่การมองบัวกนี่มันทําให้เราสามารถจะรับมือนะกับสิ่งไร้ร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้แต่ถ้ามองบัวไม่เป็นอนี่ยเห็นต่ลบนี่มันแย่คุณพี่พิพุมหน้าเคยเล่าว่าเคยขึ้นรถแท็กซี่นะแท็กซี่เนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยแท็กซี่เนี่ย พูดไยคุณมาแกก็เล่าว่าเมื่อสิบห้าปีก่อนเนี่ยลูกชายเนี่ยเคยป่วยหนักกลางดึกเลยประมาณตีหนึ่งหายใจไม่ออกก็ตกใจมากแกรีบอุ้มลูกชายเนี่ยนะไปปากซอยแล้วก็เรียกรถแท็กซี่แต่ไม่มีรถแท็กซี่อย่างตีหนึ่งก็ขึ้นมาได้ว่าเพื่อนบ้านหนึ่งร็ปิดหักก็เลยไปปูุเพื่อนบ้าน แล้วขอร้องให้เพื่อนบ้านขับรถพาลูกไปส่งที่โรงพยบาบาลเด็กตอนนั้นบ้านแกอยู่แถวลาดพร้าวก็สามารถไปพาเด็กไปส่งโรงพยบาบาลได้ทันพอจัดแจงเรื่องลูกชายแล้วแท็กซี่เนี่ยก็ถามเพื่อนบ้านว่าจะเอาเท่าไหร่เพื่อนบ้านตอบห้าร้อย จะฉุดมากเลยนะเพราะว่าปีนี่ยไอระยะทานเนี่ยสักสองสามร้อยก็น่าจะได้จะโกรธมากเลยนะแต่แกก็จําใจให้ตอนที่แกเล่าเนี่แกเล่าด้วยความแค้นด้วยความโกรธคุณพี่ๆนี่ก็เดาเลยนะว่าแกคงจะแกคงจะเล่าเรื่องนี้ให้ให้ผู้โดยสารฟังเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันเป็นความแค้นที่ฝังใจมาก คุณพี่พี่ก็เลยถามแท็กซี่คนนี้ชื่อนิยมคุณนิยมวันหนึ่งคุณเนี่ยคุณขับแท็กซี่เนี่ยกี่ชั่วโมงเกีวประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมพอถึงบ้านเนี่ยผมก็นอนเลยนะคุณพี่พี่เรก็เลยถามว่าถ้ามีคนมาหาคุณตอนจีนหนึ่งเนี่ย เือเรียกเพื่อขอให้คุณเนี่ยขับรถไปส่งเขาเนี่ยคุณจะไปไหมผมไม่ไปแล้วครับผมเหนื่อยเงินไม่สําคัญผมอยากจะพักคุณมีพี่กรเลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยวันนั้นเนี่ยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะทํางานหนักเขาอาจจะทำงานเหนื่อยแล้วคืนนั้นเขอยากจะพักแล้วประมาณปีหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนบ้านอุ้มอุ้มลูกชายหายใจไม่ออก กรลังจะตายเนี่ยมาขอให้เขาไปส่งโรงพยาบาลคุณคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคุณเนี่ยไม่มีรถหรือไม่มีน้ําใจเนี่นะให้เด็กคนนั้นตายกันตายดตายไปนานแล้วแต่เพื่อนบ้านเนี่ยเนี่ยเขามีทั้งรถเขมาขมีน้าใจเขาถึงสามารถช่วยลูกคุณเอาไว้ได้ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นแบบนี้แนละ้วว่าเขาช่วยชีวิตลูกคุณเอาไว้นะคุณควากเงินพันหนึ่ง ยัดใส่มือเขาคุณจะมีความสุขมากเลยแล้วคุณจะมีไม่มีความทุกข์เตะท้ามาถึงสิบห้าปีแจ็คสันนั้นได้คิดเลยนะแล้วคุณพี่ก็ถามต่อว่าเนี่ยไอตอนที่คุณถามเขาว่า <c oughs> จะเอาเท่าไหร่เนี่ยในใจเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะปฏิเสธใช่ไหมคุณไม่อยากให้เงินเขาใช่ไหมคุณถึงถามถ้าคุณถามเพื่อที่จะให้เงินตามที่เขาขอเนี่ยคุณก็จะไม่ทุกข์ นะแต่พอขอ พ, อ, พอคุณถามด้วยความคิดว่าเขาจะปฏิเสธคุณแล้วแต่เขาเรียกห้าร้อยเนี่ยนะคุณทุก ท, ทันทะีแต่คุณโกรธเขาเนี่ยนะพอผู้ชนนี้เนี่ยนะแท็กซี่ก็ได้คิดเลยนะบอกว่าว่าไอ้ความโกรธความแค้นเนี่ยที่สะสมมาสิบห้าปีมันหลุดเลยนะเพราะสิ่งที่คุณพิพิธทำคือเชื่ชให้เห็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ย เขาทําดีอย่างไรบ้างเขาดีอย่างไรบ้างเขาตื่นมากลางดึกเพื่อจะไปส่งลูกชายแล้วก็ช่วยให้ลูกชายรอดตายแต่ในตอนนั้นแต่ในเวล15ปีที่ผ่านมาเนี่ยแท็กซี่คนนั้นไม่เห็นตรงนี้เลยจะเห็นแต่ว่าเพื่อนบ้านเรียกเงินแก500บาทซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังใจเป็นสิ่งีแกไม่คัดคิดเพราะอย่างที่คุณคุณพี่พี่บอก แท็กซี่ถามเพื่อจะเ้าคิดว่าเขาจะปฏิเสธแต่ว่าเ้าเรียก5 0ารอยซึ่งในแท็ก ซ, ซี่มันเกินไปอันนี้คือด้านลบที่แท็กซี่เนี่ยเห็นในความรู้สึก ข, ของแกแต่แกไม่เห็นด้านบวกของเพื่อนบ้านเลยพอคุณพิพิธเนี่ยชีย้เห็นว่าเพื่อนบ้านเขาดีกับคุณยังไงนะนะเขาตื่นมากลาหงหรือนะเพื่อที่จะไปส่งลูกคุณแล้ว เขาก็ช่วยชี้ลูกคุณเอาไว้พอเห็นด้านบวกของเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนบ้านนะความโกรธมันหายเลยนะความทุกข์ที่มันกับกินใ จ, จมาสิบสี่สิบห้าปีมันหลุดไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยที่เราแค้นฝังใจหรือเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเห็นแต่ด้านลบของเหตุการณ์นั้นของคนคนนั้นนะความล้มเหลวเนี่ยมันฝังใจเราเพราะเราเห็นแต่ด้านที่เลวร้ายของมัน หรือว่าการที่ความความล้มเหลวมันทําให้เราทุกทุกวันนี้เนี่ยหรือทุกขณะนี้เนี่ย <c oughs> เพราะเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่เราไม่เห็นว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างเท <c oughs> ่าไหร่ที่มีข้อดีอย่างไรนี่ยนะเออเราจะไม่มีทุกข์ไม่จะไม่ทุกข์กับมันเราจะขอบคุณมันด้วยซ้ํเาเพราะเรารู้จักโปรเมนะเมเอริยานะไม่ใช่เมรัชนกนะ ปีนี้เขาได้ชมป์มาห้าชมปนะแต่สรางมาสามปีที่แล้วนี่ผลการเล่นเขานี่ตกต่ำย่งแย่มาเขาเคยจะได้แชั้นแต่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ถ้านั้นไม่พอนะ mm hmm. เ е й ติ้งเขาหรือว่าอันดับเขาตกล่วงเลยนะเพราะเขามีปัญหาในการเล่นแล้วมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าเวลา โรเมย์เนี่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วเขากลับบอกว่าขอบคุณเขาบอกโชคดีที่ที่มันเจอเหตุการณ์ย่ําแย่ในตอนนั้นเพราะหลายเพราะว่ามันเกิดขึ้นในตอนที่เธ อ, อยังอายุไม่มากทําให้เธอมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะก้าวข้ามมีเวลาที่จะก้าวข้ามเธอขอบคุณเธอบอกเนี่ยเธอบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมี บางช่วงของชีวิตที่ชีวิตมันจะย่ำแย่หรือตกตำ่ำเธอโชคดีที่มันเกิดขึ้นตอนที่เธอยังอายุไม่มากทำให้มีเวลาที่จะเรียนรู้ทำให้มีเวลาที่จะก้าวข้ามไปได้และมันทำให้เธอได้เป็นแชมป์ในปีนี้เนี่ยเพราะว่าความล้มเหลวของเธอในสามปีเนี่ย เมื่อได้มาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันพบว่าเป็นพ่อเธอวางใจไม่เป็นโค้ดที่เธอจ้างมาเนี่ยเอาเอาเอาคลิปเก่าๆ เ, เนี่ยในช่วงสามปีที่แล้วที่เธอแย่เธอจำยันยมาดูก็พราะว่าเธอทําผลงานไม่ดีเนี่ยเพราะเธอร่นเธอพอเวลาหลงใช้ time เ, เธอเธอจะรนมาก หลายคนเวลาเต้นเนี่ยจะตีช้าแต่เธอจะตีเร็วแล้วก็ยิ่งตีผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้คือต้องทําให้เธอเนี่ยตีให้ช้าลงใจเย็นขึ้นแล้วค้ก็พยายามแนะนําวิธีทําให้เธอใจเย็นแต่ก็เธอก็เย็นไม่ได้สักทีจนกระทั่งพบว่าวิธีที่ช่วยเธอได้ก็คือยิ้มยิ้ม เพราคนไทยกับยิ้มเนี่ยนะมันเป็นของที่เป็นธรรมชาติอยู่แนละ้คนแนะนำว่าเวลา <S <S เวลาตีเนี่ยให้ยิ้มเลยเพราะตีหลุมได้ท้ายเนี่ยซึ่งเธอได้คะแนนนำเนี่ยเกือบจะชนะแล้วต้องยิ้มมากๆเลยพอยิ้มจะทำให้เธอใจเย็นได้สตินะไม่เหมือนการที่ฝรั่งเรียกว่าโชคนะคนเวลาใกล้จะชนะเนี่ยแล้วมันเกร็งเนี่ยมันจะมีอาการโชคนะเกร็งแล้วก็ ถึงแม้จะจะชนะนำไปหลายหลายแต้มหลายคะแนนแล้วก็แพ้ได้เพราะโชคนีนะโรเมเนี่ ย, ยแกมีอาการแบบนี้โชคแต่ึงที่วยแค่ขี่ยิมพอยิ้มแล้วเนี่ยนะมันใจเย็นพอใจเย็นได้สติพอยิ้บได้สติแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ทําให้สามารถจะตีได้ถูกตีได้ดีนี่คือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากความล้มเหลวเมื่อสามปีก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยนะถ้าเรามองให้ดีมันมีประโยชน์มันทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราแกร่งขึ้นทั้นคนที่มองแบบนี้เนี่ยนะเจอความล้มเหลวก็ไม่ทุกข์ที่แต่ว่าจะหาจะเรียนด้วยจังมันมีนักวิทยาศาสตร์คนนึ่งแกเก่งมากนะและแกเป็นคนที่ค้นพบว่าหวัดเนี่ยนะไข้หวัดใเนี่ยเกิดจากไวรัสไม่ใช่จากแบคทีเรีย อันนี้เป็นการค้นพบที่ใหญ่มากเลยนะเมื่อร้อยปีที่แล้วแกใช้เวลานานเกือบยี่สบปีในการพบความจริงแค่นี้ข้นี้แกมีคติของแกว่าเนี่ยเวลาล้มแล้วเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นมาเนี่ยให้หยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างล้มแล้วลุกนี้ก็เก่งแล้วนะบางคนล้มแล้วไม่ยอมลุกแต่ล้มแล้วเนี่ยนอกจากจะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่าให้ล้มฟรีจ้น ะ, ะถ้าเรามองแบบนี้ความล้มเหลวเนี่ยนะ มันก็มีประโยชน์อุปสรรคก็มีประโยชน์ความเจ็บใขรได้ปวยก็มีประโยชน์มันทำให้เราได้เห็นเห็นความจริงเห็นสัจธรรมมันทำให้เราเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตมันเตือนให้เราไม่ประมาทลองพิดดูนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรามองไม่เป็นก็เห็นแต่ด้านที่มันแย่แต่ถ้าเรามองมองเป็นมองก็เห็นด้านที่เป็นผัวที่ทาให้เราเนี่ย หลุดจาความทุกข์ได้เมื่อสี่ปีเมื่อห้าปีที่แล้วมีน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมฮะโอยสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวันมากมายบางคนก็เครียดจนค่าตัวตายบางคนก็เสียบางคนก็พิกลจริตแต่ก็มีบางคนที่เขาทำใจได้มีวิวคนหนึ่งแก่ก็สูญไปสูญเสียไปเย น, นะนะบ้านอยู่แถวพิสณุโลกแถวนาคารสวรรค์แต่เธอบอกว่า น้ำท่วมก็มาสอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่กเราเป็นของชั่วครวมาแล้วก็ไปถ้าไม่ถูกไฟไหม้ถูกน้ำพัดไปก็อาจจะมีคนแย่งออาไปหรือถูกยึดไปอันนี้เรียกว่าเธอได้กำไรนะมันทำให้เธอเนี่ยไม่ทุกข์ไปกับความสูญเสียเพราะทำให้เห็นสัจธรรม ของที่เสียไปเนี่ยเงินซื้อไม่ได้เงินซื้อใหม่ได้แต่ปัญญาเนี่ยมันมีนเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เนี่ยต่อมาพูดไปแล้วสองคอนหนึ่งการยอมรบับสองการมองแง่บวกเห็นด้านดีของมันสามการปล่อยวางปล่อยวางไอ้ทิฐิเนี่ยเพราะเราใจเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะไม่ใช่เพราะคนนั้นคนนี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธออยู่กับสามีมาสิกกบกว่าปีแล้ววันกพ็พบว่าสามีเนี่ยนองใจเธอเธอโกรธมากและเสียใจเสียใจที่ทุ่มเทให้กับผู้ชายคนนี้รู้สึกเลยว่าเวลาช่วงเวลา10ปีเนี่ยที่เคยเชื่อเป็นเวลาที่ดีๆนะเป็นเวลาที่สูดเปล่ามากสุดท้ายก็หย่า ก, กันตอนแรกก็ที่แรกก็เธอ ก่อนที่จะเกิดเหตุเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเขาแต่พอเลิกกันไปแล้วเธอบอกวก่าเ อ, อทําใจไดนะ้หมดชนตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราก็ทําใจได้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมแค่วันแรกเท่าน้นโอ้โหจิตใจมันรุ่ม ร, อร้อนทัหมดเลยนะเพรคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นคนะิดถึงการที่เขาทรายศนอกใจเธอเธอก็เข้าคอสหลายครั้งแต่ว่า ไม่เคยเจอแบบนี้ร้อนไปหมดเลยนะมันทุกข์มากวันที่สองก็เป็นอีกไอ้ที่เธอคิดว่าเธอทำใจได้จริงไม่ใช่อ่ะไอ้ก่อนนั่นที่เธอไม่ทุกข์เพราะเธออาจจะมีมีโน้ตมีนี่ให้ทำแต่พอไม่มีอะไรทําในี่ยใจ ก, ก็คิดถึงผู้ชายหมดแล้วคิดด้วยความแทนหาความสงบไม่ได้เลยวันที่สามก็ร้อน แต่ก็ชดมาบายๆเนี่ยมันมีช่วงเสินเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็เอามป็นภาษาเป็นข้างหน้าเจอไปได้สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันเมื่อยเมื่อยมือเมือม่อยแขนเธอก็ปล่อยพอเธอปล่อยแขนเนี่ยนะมันก็สบายช่วงนั้นเองที่เธอปิ้งขึ้นมาเลยนะว่าโอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะเราแบ่แบ่แบกเรื่องของสา ม, มีเอาไว้ทั้งที่มันก็ผ่านไปแล้ว เธอรู้ตัวขึ้นมานทีแลเธอเธอทุกเนี่ยเธอพอไปไปยึดเอาไหมในเรื่องที่มันผ่านเลยนะช่วงขนาด น, นั้นเองใจเธอก็ปล่อยเลยนะปล่อยที่มันสบายนะการเป่ว่าไม่ใช่แค่สบายกายนะเพราะปล่อยมือนะแต่มันสบายใจด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะคนเราเนี่ยนะทุกเพราะแบกและที่แบกทั้งนั้นที่ทุกเ พ, เพราะไม่รู้ตัวแต่พอ ร, รู้ตัวพอมีสติเมื่อไหร่นะ มันปล่อยเลยร่างกายเราเนี่ยนะแบบอะไรมันพร้อมจะปล่อยตลอดเวลามันไม่อยากแบกแต่ใจนี่นะมันชอบแบกลยนั้นแบกเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่อยามปล่อยแบกความเศร้าแบกความโศมแบกแบบความแค้นทั้งที่แบกก็ทุกข์แต่ก็ยังแบกเพราะว่าไม่รู้ตัวแต่พอมีสเต็ปปุ๊บเนี่ยมันมันวางเลย พะวางสรุบเนี่ยนะเธอก็สบายเธอไปหลงไปหลงโทษผู้ชายคนนั้นว่าทำให้เธอทุกข์ต้องนานใจที่จริงเป็นเพราะใจตัวต่างหางที่ไปแบกเข้าไว้นะวกเราถ้าปล่อยวางเมื่อไหรนนะ่ใจสบายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อเคฟตอนอยู่ปีสามเนี่ยเธอสวย ได้รับเรืองเป็นดาวมหาเท่าไลร่พอปี4เนี่ยเธอเข้าไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางโซเชียลมีเดียตอนนั้นยังไม่มี Facebook นะ Facebook มีแต่ยังไม่ยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยผมจะใช้ไ i ไฟเลยนะสักอย่างติดต่อกันไปติดต่อกันมาผู้ชายคนนั้นก็หลงรักเธอแต่เธอก็ไม่ได้รักเขาอย่างอย่างนั้นเมื่อนั้นเจอกันเนี่ยพอผู้ชายพบความจริงว่าเพิ่ไม่ได้รักเธอเนี่ยผู้ชายแครมากโกรธมาก อันนั้นปศาสตร์หน้าเธอเสียโฉมไปเลยนะตาบอดที่ข้างนี่คนที่เคยภูมิใจมีความสุขกับรูปร่างหน้าต่างตัวเนี่ยพอเสียโฉมเนี่ยทุกมากเลยเนะ่ยเขาคิดอยาจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าก็คิดถึงแม่ห่วงแม่ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทําแต่ขอแม่ว่าขอย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นทนไม่ได้รู้สึกอาย ที่จะเห็นคนที่เคยเห็นที่จะพบคนที่เคยเห็นเธอตอนที่ยังสวยอยู่อายเขาแต่ังนั้นเธอก็ปรับหลังจาผ่านไปสองปีเธอทำใจได้นะทำใจยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเธอก็ไปทำงานที่เป็นพนักงาน c เ l ็ c e n t e ์ทุกวันเธอก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเธอก็ไม่ปิดบังหน้าต่างตัว มีคนถามเธอว่าคุณคือเคสใช่ไหมเพราะเธอเคยออกไปการโทรทัศน์เธอก็ตอบด้วยความภูมิใจหรือว่าตอบด้วยความินดีว่าเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกอับอายเหมือนเมื่อก่อนมีคนถามเธอว่าทำไมเธอเธอมีคนถามเธอว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนั้นมาเธอแคร์ผู้ชายคนนั้นมาเธอบอกเธอไม่แคร์เลยไม่โกรธเลย กลับจะขอบคุณเขาด้วยซ้าเพราะเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเธอหลายอย่างอย่างที่หนึ่งคือมันทําให้เธอมีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นถ้าเธอสวยเนี่ยเธอคงจะไหลไปตามแสงสีประการที่สองอมันบอกเธอบอกว่ามันทําให้เธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเธอบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอทำอะไรช่อนยึติมากเลยอะไรไม่ถูกใจก็ไม่ได้ใครมาพูดนี่พูดหน่อยเธอก็กโกรธ แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันทําให้เธอได้เห็นถึงความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังให้นาตาเธอที่สวยงามวันหนึ่งมันก็แปรเปลี่ยนไปถึงแม้มันไม่เปลี่ยนวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปคือมันคือว่าพอถ้าเธอแก่ตัวเนี่ก็ต้องโทรมไปการที่มันเกิดเหตุการณ์นี่มันทําให้เธอปล่อยวางได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้เธอเจออะไรเนี่ยเธอก็ปล่อยวางได้อ้เคสเนี่ยเขาสามารถที่จะทนอยู่กับ มารถเที่อยู่กับหน้าตาที่เสียโสมได้โดยที่ไม่ทุกข์เพราะเธอปล่อยวางเธอปล่อยวางเพราะเธอเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่ก่อนเธอยึดติดยึดในหน้าตาของเธออยากให้มันเที่ยงมันทําให้เธออยากจะฆ่าตัวตายเมื่อเธอรู้ว่าเมื่อเธอพูดหน้าตาเธอเสื่อมสภาพไปแต่พอเธอได้เห็นความจริงและปล่อยวางได้เธอก็อยู่กับร่างหน้าตาหน้าตาหน้าใหม่ได้ โดยที่ไม่ถูกอันนี้เราว่าการปล่อยวางเนี่ยมันทําให้ใจทําให้เธอเป็นอิสระเราจะทําให้ได้อย่างเธอนะแต่ว่าสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจําวันฝึกได้จากการทํางา น, เ, นเวลาทํางานเราก็ฝึกปล่อยวางได้ปล่อยวางอยากจำพุทธธาตก็ได้แต่เวทธาตเนี่ยนะเมื่อสักห้าสิกปีก่อนเนี่ยเริ่มมีการก่อสร้างอาคารมีการสร้างตึกไร้แห่ง ไม่่ลงมหรสศพทมวิญญาณมีคานหนึ่งก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนา ว, วาเป็นที่เก็บน้ำฝนแล้วก็เป็นที่ที่คนจะมาทรรมดส่วนบนเวลาฝนตกเรยกสั้นๆก็เรือใช้เวลานา น, านหลายปีเพราะอาศัยพัดเหนื่สร้างมีวันหนึ่งก็มีโยมมามากราบท่านแล้วก็ถามว่าท่านจาเรือเสร็จรออยังท่าน ก, ก็ตอบเสร็จแล้ว โยม้นก็แปลกใจก็สอนสำเดิก่อนก็ไปที่ก็มาที่สวนโม่ก็ยังเห็นว่าเรือยังต้องเยอะกว่าจะเสร็จพอไปเห็นไปเห็นเรือก็ไม่เห็นว่ามันก้าวหน้าไปมากแค่ไหนก็เลยมากราบถามท่านอาจารย์พุทธะ่พี่ท่านว่าเสร็จเนี่ยมันเสร็จตรงไหนไม่เห็นเสร็จเลยท่านก็ตอบว่าเสร็จสิเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมันก็เสร็จนะ คืองานไม่เสร็จนะแต่ใจท่านเนี่ยท่านปล่อยคนเวลาทำงานเสร็จนะใจจะปล่อยใจจะวางใจจะสบายอาจารย์ผูท่านเนี่ยนะเวลาท่านทำงานนะตั้งแต่ชา้าจดเย็นถึงเวลาเย็นเนี่ยวางเครื่องไม้เครื่องมือลงไม่ใช่แค่นั้นท่านวางงานลงไปกับใจด้วยตั้งกระสุนวางงานเสร็จตอนเช้าก็ไปทำงานใหม่ หลายคนเนี่ยถ้า ง, งานไม่เสร็จนี่ก็จะกะังวลกังวายเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไหรจะเสร็จสักทีกังวลกังวายไม่นะได้ช่วยอะไ ร, เ, ร, เ, รไเลยอนะไรเราเร่งเลยลองทำแบบเจ้าพุทธาก็ได้นะคือว่าเออปล่อยวางนะถึงเวลาทํางานนะกลับบ้านนะแล้วก็วางงานลงไประจากใจสมมติก็ว่างานมาเสร็จแล้วเวลาทํางานเราก็ใจแล้วก็อยู่งานเต็มที่บางคนใจเวลาทํางานใจ นึกถึงลูกกังวเวลากลับมาบ้านเจอลูกก็นึกถึงงานนะใจไม่เต็มร้อยกับลูกหุ่นะี้กับลูกสียนะแค่เราลองวางสิ่งต่างๆออกไปเวลาทำงานเราก็วางลูกไปจากใจทำงานเสร็จกลับมาบ้านเราก็วางงานออกไปใจอยู่กับลูกเต็มร้อยนะอนนี้ก็ทำให้ความเครียดในงานลดน้อยลง แคมีสาประการเที่เรามาช่วยจะช่วยช่วยได้ทำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้ง่ายๆนะคือหนึ่ง ย, ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่หวนไม่หว น, นวายสอง ม, มองบวกหรือเห็นด้านดีของมันเห็นประโยชน์ของมันนะหรือว่าเห็นด้านดีของคนที่เคยทําให้เราขุนเคืองที่เราเคยรู้สึกขุนเคืองและสามปล่อยวางที่ถามว่าจะทําอย่างไรนะ สติสำคัญมากเพราะสติเนี่ยมันทำให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์เวลาใจมันบน่บนโวยายตีโปทีีภายมีสติรู้ทันมันวางเวลาใจมปเกี่ยวข้องเสียงตามไม่ถูกเช่เนไปไปยึดติดเนี่ยไปโวยวายไปต่อลอด ต, ต่อเทียกับเสียงหรือเอาหูไปรองเกีย้ยอย่างที่หลวงปู่บุญดาต้งเตือนลูกศิษย์สติมันจะรู้นะสติทาให้เรารู้รู้แล้วก็ไม่เอาหูไปรองเกีย้ย รู้แล้วก็ไม่ไปต่อทะเลาะต่อเทียนกะเสียงนั้นนะไอการบ่นวอยเนี่ยหรือการคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่างผู้หญิงคนนั้นที่พบ ว, ว่าสามีมีชู้เนี่ยก็จะไม่ก็จะไม่เอามาเป็นอารมณ์ปล่อยวางได้นะอะไรยังไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยวางได้รถติดใจงุ่ยรู้ทันวางต่อการที่สองคือการมีปัญญามีปัญญาเห็นความจริง มีปัญญาล้วนสิ่งต่างเนี่ยมันไม่มไม่ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้หรือมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะความดูตาว่ากลายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะได้รับที่จะพ้นจากคำำําตําหนินินทาได้การเห็นว่าเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาสูญเสียพลาดพราดเป็นเรื่องธรรมดานะแล้การที่มีปัญญาเห็นเนี้ยมันก็ช่วยทําให้มันช่วยทําให้เราเนี่ย นะสามารถจะปล่อยวางได้ไม่ทุกที่ที่มันมันจะทําให้เราปล่อยวางตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วมีอะไรก็ไม่ทุกอะไรไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรมีเรื่องเล่าว่า น, นี่เป็นช่วงนี่เป็นหน้ากริ่นนะสมัยที่หลวงพ่อโตเนี่ยถ้างมีชีวิตอยู่หลวงพ่อโตนี่ถ้าก็เป็นพระสมัยสองร้อปีที่แล้วนะ ท่านก็เตรียมขครน่งกระถินเนี่ยจะไปเท่ากระถินที่วัดหลวงเทายุทธยาท่านอยู่วัดรัคังแต่ว่าไปไม่ถึงนะมันต้องพักกลางทางท่านก็พักในวัดแทงหนึ่งเรือนี่ก็จอดไว้ที่ที่ท่านาเพรากฏว่ามีโจรยัมาขนอาไปหมดหมดเลยพอท่านรู้นะว่าบนในเรือไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยแทนที่จะโกรดท่านยินนะ แล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าภายเลิกกัดรล้วที่ภายเลิกกัดชาวบ้านก็เห็นท่านก็ตะโกนถามว่าท่อกรถินเสร็จแล้วหรือท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าท่อเสร็จแล้วจ้าท่านตั้งใจไปทอดกรถิ่นนะแต่ไปไม่ถึงแต่ท่านก็ไม่ทุกข์นะมันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ไม่ทุกข์เพราะปล่อยวางได้เข้าของที่ท่านเตรียมมาท่านก็ไม่ยืดเป็นของท่าน ใครมาอาไปท่านก็นกนไมไ่ทุกข์นะเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราทุกอย่างมันไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามใจได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราได้เพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้คือการที่เราเห็นปัญญามีปัญญาเห็นนะสองข้อเนี่ยสติและปัญญาสาคัญมากทที่จะช่วยพาจิตของเราออกจากความทุกข์ได้นะ ถ้มีเราถ้าเรามีสตแล้วมีปัญญาเราจะพบ ว, ว่าท้งองอ่อนเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเลยก็พอสมควรกับเวลาแล้วนะก็คงจะยุติเท่านี้ใม่ทราบมีคำถามอะไรหรือเปล่า ตามาบวชเมื่ออายุยี่สิบหกก่อนบวชตามาก็ทํางานเหมือนงานที่รัฐเอ็นจีโกลุ่มประสาน ง, งานศาสนาเพื่อสังคมทํางานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างทํางานเจอเรื่องช่วยเหลือเด็กขาดอาหารบ้างแล้วก็นิจิตตมาทํเานทเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาปีที่สองหลังจากเหตุการตุลามันมีการละเมิด ส, สิทธิมนุษยชนอตามาก็ทํางานช่วยเหลือผู้นักโทษ ที่ติดคุกกรณีหตุลาอนนี้เราจะเคยอาจจะรู้จักกรณีหตุลาปีนี้สี่สิบปีพอดีแต่ว่าเคยติดคุกตอนเหตุการณ์หกตุลาด้วยพอออกมาก็เลยอยากจะช่วยคนที่ยังออกมาไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับรณรงค์ให้มีนิรโทษกรรมจัดหาฐานะจัดหาช่วยประกันเขาออกมานี่ทํามาเนี่ยประมาณเจ็ดปี ตั้งแต่ปี19จถึง26 225ก็รู้สึกว่าเครียดแล้วก็เริ่มจะเสียสูนย์และนอนก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ ห, ห ง, งุดหงิดง่ายทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนอยู่บ่อยๆสาวัติทิ์นี่ก็ต้องหาอะไรทําคือมันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยมันมีอาการที่เรียกว่ากระสับกระส่าย การที่อยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยมันแสดงว่ามีข้างในเนี่ยมั น, ม, นมันมีความกระว์งกระวายก็เลยคิดว่าที่เราวคิดว่าเราเหนื่อยเราล้าก็คิดว่าการได้พักการได้ไปเที่ยวจะช่วยได้อาตมาก็ทําอย่างนั้นแหละนะพักบ้างไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวอ่น้ําตกอะไรบ้าง โดนเท่าไปดูหนังด้วยมันก็ไม่ได้ช่วยคือตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยเออมันก็สบายแต่พอกลับมาพอเดินทางกลับมาก็เครียดแล้วก็เลยรู้สึกว่าปัญหาตัวเองคงไม่ใช่ไปเรื่องของการพักกายมันต้องพักใจและพักใจที่ดีที่สุดก็คือการกลับมาอยู่กับตัวเองการทาสมาธิภาวนาก็เลยคิดว่า น่าจะลองบวชสักสามเดือนเพราะว่าจะได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่นะเจ็ดเจริญนิ่งแต่ว่าพอได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็พบว่าโอ้มันดีกว่าที่เราคิดเอาไว้นะการปฏิบัติอาตมาปฏิบัติที่วัดสนามนายกระลงพระเทียนแล้วก็ได้เห็นถึงพลังของสติอา น, นิสงส์ของสติว่ามันมีอา น, นิสงส์มากเลย มันทำให้ใจเรานิ่งแล้วเราเห็นเลยนะว่าทุกทุกขความคิดนะพอพอเรารู้จักหยุดคิดบ้างหรือพอรู้จักวางความคิดบ้างมันช่วยได้นะความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าพอเราคิดมากๆคิดไปอยู่เนี่ยมันนอนไม่หลับมันฟุ้งซ่านมันกระสรับกระส่ายนะเป็นกรตมามากก่อนบวช แล้เพราะว่าพอรู้จักวางความคิดรู้จักหยดคิดมันก็สมดได้ก็เลยอยากจะปฏิบัติต่อนะเพราะว่าถ้าสุดไปแล้วคงจะหาโอกาสบวชได้ยากก็เลยคิดว่าลองบวชเอาพรรษาทั้งหน่อยนะตอนนั้นตมากำหนดสึกเดิอบสภาคิดว่าถ้าบวชเอาพรรษาอีกสามเดือนสี่เดือนนพอบวชแล้วสุดดีขอต่อเป็น บวช้ครบปีเลยดีไหมเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรพ่อแม่ก็อนุญาตพอบวชครบปีแล้วก็คิดต่อคิดไปว่าเออทําไมไม่ลองบวชให้อี่ปีหนึ่งล่ะเป็นสองปีคือมันเริ่มติดเริ่มติดลงเนี่ยเริ่มติดลงแล้วมันก็เลยบวชมาเรื่อยๆจนปัจจุบันสูงคือว่ามาบวชเพราะความทุกข์มันผลักให้ข้อหาธรรมะ มีไร่ทราบว่ามีคำถามเพเิ่มเติมไหมครับนิ่มันสอนนะครับได้อ่ถ้ามีคำถามแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราลอง ทดลองทางตัวเองสักหน่อยอาจารย์ตพูดสักครู่นะเรื่องของสติสติมันแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้มันก็ระลึกได้หลายอย่างนะส่วนใหญ่เราก็ใช้สติในการระลึกได้ว่าเราจอดรถไว้ที่ไหนกุญแจรถอยู่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะแม้กระทั่ทงว่าเพื่อนเราวันเกิดอะไร นะหรือว่าบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่บ้านพักเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องใช้สตินะกลับบ้านเนี่ยเรากลับบ้านถูกเพราะเราใช้สติในการระลึกได้ว่าบ้านอยู่ถนนอะไรนะซอยไหนแต่นี่เป็นเกินเป็นการระลึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการระ ล, ลึกได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองระลึกได้เกี่ยวกับกายกับใจใจเผลอคิดนึกไปก็รู้ทัน นะกำลังนั่งฟังอยู่ใจมันคิดไปถึงงานจะต้องพรีเซนต์ตอนบ่ายนึกขึ้นมาได้แล้วลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังนั่งฟังอยู่ไอ้ตัวระลึกเนี่ยคือส ต, ติถ้ามีสติที่ไวเนี่ยมันจะทำให้เราใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยใจจะไม่หวนคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วตนรู้สึกเศร้าโศกเสียใจโกรธเคือง ใจไม่ไป น, นึกถึงสิ่งที่ยามาไม่ถึงแล้วก็เลยหมุดหมิดกังวลกระเวงกระวายถ้าใจแล้วกำมอือกับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเนี่ยใจยังเป็นปกติทํางานก็ทํางานได้ผลคนทํางานก็มีความสุขด้วยวิธีฝึกสติกั่นคือการฝึกให้ใจเนี่ยกำมาอยู่กับปัจจุบันกำมาอยู่กับกายให้ใจกลับมาอยู่กับกตัว หลักการเตืนสติมนันง่ายว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่นะทำอะไรใจก็รู้สึกนะหรือว่าใจก็อยู่กันนึกกับตัวอันนี้วิธีการก็มีหลายวิธีนะอัตมาจะลองแนะนําให้เราใช้ลมหายใจดูนะที่จริงการเดี่ยวเราก็เทียนใช้ยกมือนะแต่ว่ามั น, นต้องใช้เวลาหน่อยพวกเราหลายคนอาจจะคุ้นกับ ก, การใช้ลมหายใจ บ้างนะก็ลองใช้ลมหายใจดูนะะแล้วก็เรานั่งหลับตาหลับตาเลงนดน้อยๆ น, นะทำกายผ่อนคลายรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าคลายกลนามนทุกส่วนคงเหลือแต่เพลงรอยยินย้น้อย ให้ความรู้สึกตัวแผ่้านมาที่ต้นคอหัวไหล่แผ่เ้มือทั้งสองข้างรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่หน้าท้องต้นขาหน้าแข้งจนปลายเท้าให้จะสบายๆนอมจิตมที่ลมหายใจหรือที่ปลายจมูก ทำตัวถึงลมงหายใจเข้าและลมหายใจออกสบายๆไม่ต้องถึงกลับไปกำหนดจิตเพ่งที่ปลายจมูกหรือไปบองคับจิตให้อยู่ก็ลมหายใจให้วางความคิดนึกต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ทำมาเมื่อแตตั้งแต่เช้าสิ่งที่เราได้ินมาจานถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คอยวางลงไว้ก่อน เสร็จจากนี้เราจะมีนัดหมายที่ไหนทำอะไรก็วางไว้ก่อนอจะให้มาเป็นอารมณ์รบกวนจิตใจให้ตอนนี้ใจเราอยู่ัารมไหายใจลรมณหายใจเป็นเสมือนบ้านของใจแต่าบางครั้งใจก็ยังไม่อยากอยู่บ้าน อาจจะเหมือนกับเด็กใจแต่ที่ชอบท่องเที่ยวเวลาใจเผยคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วรู้ทันเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมาเวลาพ่อนึกไปถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงรู้ตัวเผยคิดไปเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมากลับมาที่ลมหายใจเบาๆให้ถือว่าลมหายใจเนี่ย เป็นเพื่อนของเราการมาอยู่กับลมหายใจก็คือการที่ได้มาเดินเียงข้างกับเพื่อนที่แสนดีของเราลมหายใจนี่เป็นวิธีประเสริฐที่สุดของเราอย่างหนึ่งที่เรามักจะมองข้ า, ามลมหายใจอยู่กับเราเมาตั้งแต่เกิดและก็จะจากไปเมื่อเราละโลกนี้ลมหายใจอยู่กับเราทั้งในยามตื่นและยามหลับ อย่าง ม, มีใจและเสีใจอย่างสําเร็จและยางล้มเหลวไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะใดลมหายใจก็จะอยู่กับเราตลอดเวลามีลมหายใจเราจะมีทุกอย่างอย่างที่เราเคยมีและกําลังมีอยู่และจะมีต่อไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติความรู้ครอบครัว ความสุขไม่มีลมหายใจก็ไม่มีอะไรเหลือเลยไม้แต่อย่างนี้หแล้วก็ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้เรารับรู้ชื่นชมลมหายใจและพอใจที่จะได้อยู่กับลมหายใจแม้ในช่วงเวลาสั้นๆบุลมหายใจด้วยความรู้สึก ข, ขอบคุณด้วยความรู้สึกว่าเรามีโชค ทียังมีลมหายใจแล้รู้ลมหายใจเริ่มต้นเรากำลังเดินเคียงข้างเพื่อนที่แสนดีบนเส้นทางที่เราไกลไม่ต้องสนใจจุดหมายเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างกับเพื่อนเราก็พอใจจะลองข้างเราพ็จะเพิ่มไปสนใจชมนกชมไม้สองข้างทาง จนลากทิ้งเข้าไปลู้ตัวอะไรก็กลับมารับรูงลง้ลมหายใจมาดูเคีงข้างเพื่อนของเราแล้ว พ, พยายามไปกดขบความคิดหรือห้ามใจไม่ให้คิดนะให้อิสระกับเขาในการที่จะอยู่ลงไปแต่ถ้าเมื่อใดกความที่เข้าไปเราก็ชวนกลับมา มันใหม่ใจก็จะว่าวุ่นคิดนั่นคิดนี่ถัานเป็นธรรมดานะอย่าไปรู้สึกหงุดหงิดลำคาญกับอาการเช่นนั้นมันเป็นธรรมดาของเขามันไม่ใช่ปัญหาใหม่ๆก็จะเป็นงั้นแหละแต่ว่าทำไปทำมาทำไปทำไปใจก็จะเรื่อยๆนี่ไมื่อยเชื่อม แั้วค่อยๆรับรู้ว่าอลมหายใจนี่คือบ้านความกังใจแล้ก็มือนกับขนเร่ร่อนกัดกระเจิงกันหรือว่ากระเซาะกระเซิมแสบสายจต่เมื่อตามที่เขารู้ว่านี้คือบ้านลมหายใจคือบ้านกายนี้คือบ้านเขาก็จะมค่อยกลับมาอยู่นานขึ้นนานขึ้น ยันเมื่อมีความสุขการอยู่กับบ้านคือกายใจก็จะนิ่งแล้วก็เอกไปเป็นผ้าน้อยลงหรือว่านานๆเจองไปทีไปก็ไปไม่นานกลับมาหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้มันเฉย ไม่ว่าสีงนั่นจะเป็นความคิดดรืออารมณ์อาจจะมีความเบือ่อ ม, มีความพ่วงเอาเขานอนแล้วก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปผักใสยมันเป็นธรรมดาที่มันจะผ่านเข้ามาแล้วสภาพก็จะออกไปลองสำรวจกายมาเป็นระยะๆะะว่า มีอาการเกร็งไหมบางทีเราาจะกลุ้มมือแน่นเท้าจะเกร็งหน้าไม่ขมี้ขมมยตอนนั้นจเป็นเพอราะเรากำลังคิดทุก์สัน่นหรือมีความเครียดที่ตกควาวลอยู่ให้ผ่อนคลายกลายผ่อนคลายมือผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนบนใบหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ย, ยาวสักครั้ง แะกลับมาหายใจเป็นปกติใจเราไปที่ไหนแล้วใจเราล้องลอยไปไกลแค่ไหนรู้ตัวเมื่อไรก่กาใจกลับมามีความลมหายใจมีความมิติประเสริฐที่สุดของเรากลับรู้ลมหายใจ <c oughs> ในแต่วันนี้พราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกนาเท่ า, ทาไหร่ที่เราจะได้มีลมหายใจ เพินชมกับการที่เรายังมีลมหายใจลมหายใจที่นำความสงบมาเลี้ยงใจของเราควบคู่ไปกับการที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงกายรับรู้ว่าเรามีโชคเพียงใดที่ยังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นจะให้ลมหายใจของเราผ่านไปอย่างาไรก็อยู่ หเาหาลหายใจเกิดขึ้นโดยการรับรู้ในความทึ่นโฉมยอมรับใส่ใจตอนใจเรารู้สึกอย่างไรก็รับรู้ว่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นสัมผัารู้เฉยๆไม่ได้ไม่ต้องปล่อยใจจมเข้าไปในความรู้สึกนั้นหรือว่าผักใส่กดคมความรู้สึกนั้น รู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจอะไรจะมาดึงมาด้วยยวนมา ช, ชักชวนใจไปจากลมหายใจก็อย่าหลงเชื่อไปหลงเชื่อไปไม่แล้วกลับมาในงามในนามที่เราคิดเผลคิดไปก็ไม่ต้องสนใจว่าคิดอะไรทำไมถึงคิดทิ้มันไปเลยนะกลับมา เดี๋ยที่เราหายใจที่ปลายจมูกตื้อๆก็ได้